การหาลาบแบบพุทธวิธีทันใดผ่านทศนะในการหาลาบของบุคคลทั่วไปมาแล้วเป็นการกวาดสายตามองดูรอบๆตัวแล้วเราก็เห็นได้ว่าความคิดของคนทั่วไปมีอยู่สามประเภทคือพวกเสี่ยงโชควาสนาเทวดาอุดหนุนและลงทุนลงแรง ต่อไปนี้จะนำท่านเข้าศึกษาและพิจารณาการหาราบอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบที่ถูกต้องได้ผลครบท้วนบริบูรณ์และเป็นแบบนิยมทางพุทธศาสนาก่อนอื่นข้าพเจ้าใครจะเรียนว่าปาทกถาตอนต่อไปนี้ท่านจะต้องทำความเข้าใจให้ช้าลงสักหน่อยคือค่อยๆพิจารณาคืบหน้าไปฟังไปคิดไป แล้วท่านจะได้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชีวิตของท่านเองและนำไปสู่ความเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับการใช้กลวิธีแก้ทุกข์ต่อไปตอนเทวดาเป็นเสียเองพูดถึงเรื่องการอยากได้ลาบและการหาลาบของมนุษย์ก็นึกถึงเรื่องนอกเรื่องคือเรื่องของพวกผีสางเทวดา ในความรู้สึกของคนทั่วไปว่าพวกนี้มีการหาลาบผลด้วยเช่นชอบเครื่องบวงสวงสังเวยต่างๆเป็นต้นว่าหัวหมูใบสีไข่ต้มปลาช่อนต้มไม่ขอดเกล็ดขนมต้มแดงต้มขาวและอื่นๆอีกมากมายตองให้ท่านเจ้าพิธีเล่าให้ฟังเพราะท่านรู้ใจของพวกเทวดาดี พวกที่ประทับอยู่กับศาลคอยให้คนหาไปให้ตามแต่ศรัทธาก็พอทำเนาส่วนอีกพวกหนึ่งนะัยุ่งมากชอบหาลากในทางทุจริตด้วยมีการเรียกร้องขู่เข็นเบ่งจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ถ้าหากไม่ได้จะกลั่นแกล้งให้มีอันเป็นไปต่างๆผมเองว่าก็ว่าเถอะเคยเห็นมามากแล้วเหมือนกัน แต่ใจจริงก็ยังรู้สึกสงสัยตังิด ต, ตัง้งอิดอยู่เสมอว่าทำไมเทวดาท่านจึงจะมาเที่ยวโปรดของพันอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นอาหารแปลกๆด้วยว่ากันทีไรก็ปลาแปะสะกับหัวหมูอย่างที่ว่ามาแล้วเว้นแต่เล่าเห็นเปลี่ยนไปตามพัฒนาการของโลกเมื่อก่อนจริงๆใช้เล่าโรงเป็นพื้นต่อมาเลื่อนขึ้นเป็นแม่โขง เมื่อเร็วๆนี้เห็นเจ้าพิธีบางคนใช้ตราขาวเข้าแล้วไปภายหน้าเครื่องสังเวยจะใช้หมูแคมขนมปังเข้าบ้างก็ได้กระมังเมื่อระหว่างเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับการหากินของท่านผู้ไม่เห็นตัวเหล่านี้เขาเล่าว่าพวกชาวนาทางปทุมธานีเกิดเดือดอร้อน วัวควายถูกขโมยลักไปฆ่ากินอย่างชุกชุมแม้จะติดตามจับก็จับไม่ได้สักทีทั้งๆที่บางคราวน่าจะได้ตัวคนคร้ายพวกชาวบ้านเลยตั้งพิธีเชิญเทวดาเข้าส่งทำนองประชุมหาทางสันติภาพอย่างนั้นแหละพอทำพิธีเสร็จเรียบร้อยเทวดาก็เข้าส่งบอกตัวเองว่าเป็นเทวดา ปกครองรักษาอยู่ท้องทุ่งนี้มานานแล้วฝ่ายชาวบ้านก็ปรับทุกข์ให้ฟังว่าวัวควายถูกขโมยลักเอาไปกินหมดแล้วจับตัวคนร้ายไม่ได้สักทีทำไมเทวดาจึงไม่ช่วยเหลือบ้างเทวดาตอบว่าพวกขโมยมันไม่เหมือนพวกเอ็งนี่ก่อนจะลงมือทําเขามาปนกับข้าทําการเสร็จแล้ว เขามีอะไรอะไรมาบวงสวงสังเวยแก้บนของสังเวยดีกว่าของพวกเองฟังเขาเล่าแล้วสะดุ้งเทวดาคอร์รัปชั่นเสียเองอย่างนี้แย่ yeah. ไม่รู้จะให้ใครอบรมนี่เรียกว่าเทวดาเป็นเสียเองตอนลายแทงในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา มีลายแทงบอกวิธีทําให้ได้ลาบเท่ากับเป็นลูกกุญแจสําหรับหาลาบลายแทงนั้นว่าซิริโพคานมาสโยหวังว่าท่านผู้ฟังส่วนมากคงจะเคยผ่านมาแล้วเพราะเป็นบาลีที่จําง่ายและพบบ่อยบาลีบทนี้แหละที่ข้าพเจ้าถือว่าเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะไขเข้าไปสู่ลาบชนิดที่แท้ คือที่เป็นสุขลาบไม่ใช่ทุกขลาบที่ว่าสุขลาบหรือทุกขลาบนั้นขอพูดต่อตรงนี้สักหน่อยคือลาบชนิดใดที่กินแล้วใช้แล้วไม่มีทุกขตามมามีแต่สุขล้วนๆทั้งก่อนกินก่อนใช้และหลังกินหลังใช้ลาบชนิดนั้นเรียกว่าสุขลาบส่วนลาบชนิดใดมีทุกขตา ม, มาหลังจากกินแล้วใช้แล้ว ลาบชนิดนั้นเรียกว่าทุกขลาบคือของที่เราได้มาแต่ละอย่างถ้าดูให้ละเอียดแล้วเราได้สองชั้นคือได้ของที่เป็นวัตถุนั้นด้วยแล้วได้เชื้อสุกหรือเชื้อทุกติดมาด้วยระหว่างเสื้อสองตัวตัวหนึ่งซื้อใช้เองกับอีกตัวหนึ่งขโมยของคนอื่นมาใช้ถ้าดูแต่เสื้อก็เท่ากัน คือเป็นเสื้อตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะนี่เราดูเพียงชั้นนอกทีนี้ถ้าดูชั้นในเข้าไปเราจะพบว่าเสื้อตัวไหนติดเชื้ออะไรมาด้วยผลไม้ที่ดีแท้ต้องหมายความว่าผิวนอกก็ดีและข้างในก็ไม่มีหนอนลาบดีสมบูรณ์แท้ก็หมายความว่าดีทั้งชั้นนอกและชั้นในเรื่องเช่นนี้ทำให้คนรเข้าใจผิดได้ เช่นพระสอนว่าสีเลนโภคสัมปทาคนได้โภคเพระศีลก็นึกแย้งอยู่ในใจว่าไม่จริงประมังคนไม่มีศีลตั้งหากรวยกว่าแต่เรื่องนี้ข้าพระเจ้าควรจะพูดอย่างละเอียดในเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องนี้จึงขอผ่านทีนี้แปลลายแทงสิริโภคา นมาสโยแปลว่าสิริเป็นที่มานอนแห่งโคะคจากคำบาลีและคำแปลนี้มีข้อความสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจอยู่สามคำคือคำว่าสิริมานอนและโคะคซึ่งเป็นจุดหลักของสุภาษิตคำว่าโภคะนั้นหมายถึงลาบตรงตัว พูดง่ายๆโภคะก็คือลาบนั่นเองเพราะโภคะเมื่อขยายความออกแล้วก็มีสองอย่างคืออุปโภคะของใช้เช่นเสื้อผ้าเงินทองและเครื่องใช้ต่างๆและปริโภคะของกินเช่นข้าวขนมนมเนยและอาหารต่างๆในภาษาไทยเราใช้ควบกันว่า เครื่องอุปโภคบริโภคหมายถึงของใช้กับของกินดังนั้นคำว่าโคะคกับคำว่าลาพะจึงใช้แทนกันได้อย่างตรงตัวทีเดียวและสุภาษิตข้อนี้หากเราจะนึกทำความเข้าใจความหมายว่าซิริเป็นที่มานอนแห่งลาบก็ไม่ผิดคำที่เราน่าจะคลี่คลายออกดูความหมายอีกคำหนึ่งคือ คำว่ามานอนในคำบาลีแปลว่าสิริเป็นที่มานอนแห่งโคะคือไม่ใช่มาเฉยๆและไม่ใช่มาเดินไม่ใช่มายืนไม่ใช่มาวิ่งแต่มานอนภาษาบาลีเป็นภาษาที่อมความหมายไว้ในตัวได้มากอย่างเช่นคำว่าอาสยะที่แปลว่ามานอน ในที่นี้เฉพาะคำว่ามาไม่มีปัญหาเป็นคำกิริยาที่ชัดเจนอยู่แล้วในที่นี้ก็แสดงถึงอาการมาของลาบคือการได้ลาบนั่นเองส่วนคำว่านอนนากิจมาอย่างไรเรียกว่ามานอนแล้วในที่เช่นนี้จำเป็นอย่างไรจึงต้องใช้คำว่ามานอนจะว่ามาเฉยๆไม่ได้หรือ คำว่านอนในที่นี้หมายความว่านานคือคำนี้ใช้แทนคำว่านานได้ในข้อความที่ต้องการให้คิดเช่นสั่งใครไว้แล้วเขามาถึงช้าเรามักจะว่าเขาว่ามัวไปนอนอยู่ที่ไหนหรือสั่งใครๆว่าเรื่องนี้อย่านิ่งนอนใจเป็ น, นั้นขาดเหล่านี้เป็นต้น ที่เอาคำว่านอนมาใช้แทนคำว่านานนั้นคงจะเล็งถึงอิริยาบถของคนคือคนเรามีท่าที่จะอยู่สี่ท่าเรียกว่าอิริยาบถสีเป็นอิริยาบถ ท, ที่เป็นหลักคือยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่นี้อิริยาบถนอนคนอยู่ได้นานที่สุด คิดดูเพียงหนึ่งวันยีสี่ชั่วโมงเป็นเวลานอนเสียเร่าๆแปดชั่วโมงนอกนั้นเฉลี่ยเป็นอิริยาบถอีกสามอย่างเราไม่สามารถจะอยู่ในอิริยาบถใดได้นานเท่าอิริยาบถนอนเช่นยืนรวดเดียวแปดชั่วโมงหรือเดินหรือนั่งรวดเดียวแปดชั่วโมงคนสามัญทําไม่ได้และเมื่อคิดรวบยอดตั้งแต่เกิดจนตาย คนเราก็อยู่ในอิริยาบถนอนมากที่สุดลงท้ายก็ไปนอนให้เขาเผาอยู่หลังวัดโน้นเพราะฉะนั้นคำว่านอนจึงถูกนำมาใช้ในที่ที่ต้องการแสดงอาการว่านานโดยเหตุผลที่ว่ามานี้วกคืนไปหาเรื่องราบที่ว่าเป็นที่มานอนแห่งโคะตามความหมายก็คือเป็นที่มาอยู่แห่งโคะนั่นเอง ที่ว่ามานอนคือมาอยู่กับเรานานๆนึกถึงแขกที่มาหาเราก็ได้อย่างเราอยู่ที่บ้านมีเพื่อนฝูงมาถ้าเขามาในลักษณะวิ่งถึงบ้านเราแล้วก็วิ่งพลางพูดพลางเราก็รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราไม่นานประเดี๋ยก็ไปมาอย่างนี้เรียกว่ามาวิ่งแต่ทนายคนที่มานั้นเดินมา มาถึงแล้วก็เดินตรงไปเตรมาเชิญนั่งก็ไม่นั่งคนมาเดินอย่างนี้ก็อยู่ไม่นานทีนี้ถ้าใครพอมาถึงบ้านเราแล้วถอดรองเท้าถอดเสื้อนอนเอกเหนกเลยคนมานอนอย่างนี้พึงรู้เถอะว่าเกจะต้องพักอยู่กับเรานานเกินกว่าพวกมาวิ่งมาเดินอาจมีแผนการเล่นงานเราซัก มือสองมือก็ได้เรื่องของมานอนเป็นอย่างนี้ทีนี้ลาบที่มันมาหาเราก็มีหลายประเภทเป็นพวกมาวิ่งเสียแหละมากภาวันเงินเดือนออกเขาแห่มาหาเราตั้งร้อยตั้งพันแต่แล้ววิ่งเตลดิดหนีไปหมดไม่ยอมไปบ้านกับเราเสียอีกมากบางจำพวกไม่ยอมเข้ากระเป๋าตังค์เสียด้วย พอเซ็นชื่อรับเสร็จมึกยังไม่ทันจะแห้งก็แวะเลยไปเสียแล้วดีอยู่หน่อยก็พวกมาเดินอุตส่าห์ติดตามเราไปถึงบ้านพอให้ลูกเมียได้เห็นหน้าบ้างถึงอย่างนั้นบางส่วนไม่ยอมขึ้นบ้านก็มีพอถึงห้องรับแขกก็เตลิดไปกับเจ้าฐานบ้างเจ้าข้าวสารบ้างเจ้าน้ำปลาบ้าง ส่วนพวกที่มานอนอยู่กับเราเป็นเดือนเป็นปีหายากเต็มทีคราวนี้คนเราจะร่ำรวยมั่งมีสีสุกก็เพราะมีลาบประเภทมานอนนี้ลาบประเภทนี้จึงจัดว่าเป็นยอดของลาบเพราะฉะนั้นคำที่ว่าเสอริเป็นที่มานอนแห่งโภคะก็เท่ากับท่านบอกเหตุให้เกิดลาบ ที่เป็นยอดของลาบทีเดียวเมื่อสามารถคว้าเอาลาบชนิดที่เป็นยอดได้แล้วลาบชนิดรองลงมาก็ไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่สามารถหาได้ที่ว่ามานี้ขยายคำที่ว่ามานอนแห่งโภคะเท่านั้นตอนแรงดึง ด, ดูว่าถึงเหตุที่ทำให้มานอนต่อไป ทำอย่างไรลาบจึงจะมานอนคำตอบก็อยู่ในความของสุภาษิตนั่นแล้วคือสิรินั่นเองคำว่าสิริหมายถึงอะไรอธิบายยากครูบาอาจารย์ท่านแปลไว้เพียงว่าสิริแปละวะ่าสีก็ยังไม่รู้ว่าอะไรแปลสีออกไปอีกท่านแปลว่ามิ่งขวัญ ดูยิ่งลึกซึ้งหนักเข้าไปอีกมิ่งขวัญคืออะไรก็ยากจะชี้ลงไปได้แล้วก็แปลต่อไปอีกไม่ได้แล้วเรียกว่าสุดทางแปลเท่านี้เหลือแต่คำอธิบายมิ่งขวัญถ้าจะอธิบายกันให้รู้เรื่องเอาทางปฏิบัติกันทีเดียวไม่ต้องยกนิทานมาเล่าให้ยันเยอะเสร็จแล้วยังไม่รู้ว่าอะไรเสียอีก มิ่งขวัญก็ได้แก่ความดีความดีนั่นแหละเป็นมิ่งขวัญเอาละ่ะเป็นอันว่าเราได้เข็นกันมาจนเจอที่หมายเข้าแล้วเชิอดได้แก่สีสีได้แก่มิ่งขวัญมิ่งขวัญได้แก่ความดีเศรษฐุระไปต่อนหนึ่งต่อไปก็เป็นเรื่องการแยกแยะความดีว่าความดีคืออะไรบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องพรนานากันออกไปมากแต่ก็ไม่ยากที่ท่านผู้ฟังจะคิดขยายความต่อไปได้เองในที่นี้ข้าพเจ้าขอเสนอหลักพิจารณาไว้แต่เพียงย่อๆว่าความดีที่เป็นสีของคนนั้นน่าจะได้แก่ความดีสามอย่าง 1. ความรู้ดี 2. ความสามารถดี 3. ความประพฤติดี คือรวมทั้งบุญวาสนาดีด้วยคนที่มีดีสามอย่างนี้อยู่ในตัวจัดว่าเป็นคนมีสิริซึ่งเป็นเหตุให้เกิดลาภในทีน่นี้ข้าพเจ้าขอเว้นการพนานาให้พิสดารเอาไว้พูดกันต่างหากพูดมากประเดี๋ยวจะทำให้ความของคนวิธีแก้ทุกข์เสียรถไปขอขมวดเข้าแต่เพียงว่าสิริศี มิ่งขวัญหรือความดีที่ว่ามานี้แหละเป็นแรงดึงดูดให้เกิดลาบจำไว้เพียงเท่านี้ก่อนคือจำไว้แต่เพียงว่าสิริเป็นแรงดึงดูดให้เกิดลาบส่วนเหตุผลที่ว่าจะดูดมาได้อย่างไรนั้นโปรดฟังต่อไป